จิตตานุปัสสนาคราวนี้ที่เวทนาจะเป็นอย่างใดนั้นถ้าจิตไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าโดยปกติเวทนามักจะชักจิตใจให้เป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งคือว่าเมื่อมีสุขเวทนาก็ชักให้จิตมีราคะความติดความยินดีความกำหนัด ทุกขเวทนาก็ชักจิตให้มีโทสะคือความไม่ชอบความหงุดหงิดความรำคาญความขัดเคืองอุทุกขมสุขเวทนาความไม่ทุกขไม่สุขก็ชักจิตให้มีโมหะคือความหลงสยบติดอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาให้ละเอียดเข้ามาอีก็กต้องมาดูที่จิต จิตมีราคะหรือไม่มีราคะก็ให้รู้จิตมีโทสะหรือไม่มีโทสะก็ให้รู้จิตมีโมหะหรือไม่มีโมหะก็ให้รู้นอกจากนี้ก็ให้รู้อาการของจิตปลีกย่อยที่ประกอบอยู่กับหัวข้อทั้งสามนี้คือว่าจิตหดหูหรือฟุ้งซ่านก็ให้รู้จิตกว้างขวางหรือคับแคบก็ให้รู้ จิตที่ยิ่งไม่ยิ่งก็ให้รู้จิตที่ตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นก็ให้รู้จิตที่หลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นก็ให้รู้โดยปกตินั้นเมื่อจิตมีราคะโทสะโมหะก็เป็นจิตที่หดหู่หรือฟุ้งซ่านเป็นจิตที่คับแคบเป็นจิตที่ไม่ตั้งมั่นเป็นจิตที่ไม่หลุดพ้น แต่ถ้าจิตปราศจากราคะโทสะโมหะก็เป็นจิตที่กว้างขวางเป็นจิตที่ยิ่งเป็นจิตที่ตั้งมัน่นเป็นจิตที่หลุดพ้นคอยดูจิตของตนว่าเป็นอย่างใดการที่ตั้งสติกำหนดจิตดังกล่าวมานี้เรียกว่าเป็นจิตตานุปัสสนาในขั้นแรก ก็ตั้งสติกำหนดกายในกายต่อมาก็กำหนดเวทนาในเวทนาเพื่อจะได้ดูให้ใกล้ชิดเข้ามาเพราะเวทนานี้เป็นตัวร้ายที่จะคอยทำลายการปฏิบัติถ้าไม่ดูให้ดีแล้วก็จะทำลายสมาธิและเมื่อจะดูให้ละเอียดเข้ามาอีกก็ให้ดูจิตเพราะว่าสำคัญอยู่ที่จิตนี่เองแปลว่า ดูให้ใกล้ชิดเข้ามาที่สุดในการปฏิบัติทั้งสามขั้นที่กล่าวมานี้ท่านในขั้นฝึกหัดตรวจกายเรื่อยๆมาตรวจเวทนาเรื่อยๆมาตรวจจิตเรื่อยๆมาคล้ายกับว่าเราอบพยพเข้าไปอยู่กุฏิใหม่ก็เดินดูเสี้ยให้ทั่วอะไรอยู่ที่ไหนบ้างกว้างขวางเท่าไหร่แต่ว่าเวลาที่เราจะพักจริงๆนั้น เราก็พักอยู่เพียงแห่งเดียวเช่นว่าจะนอนก็ตั้งเตียงนอนแห่งเดียวไม่ใช่ว่าเดินไปรอบๆ อ, อยู่วันยังค่ำาคืนยันรุง่งก็เป็นอันว่าไม่ต้องพักกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่พักจริงๆนั้นเราพักอยู่เพียงแห่งเดียวนี่ก็เหมือนกันเราก็พักอยู่เพียงแห่งเดียวคือว่าถ้าชอบอาณาปานสติ ก็พักอยู่ที่อาณาปานสติเป็นแต่เพียงว่าคอยดูเอาไว้มีเวทนาอะไรโผล่เข้าจะขัดขวางก็ให้รู้มีจิตอะไรโผล่เข้ามาก็ให้รู้แล้วก็ประคับประคองอยู่เพียงแห่งเดียวนั้นให้แนวแน่ต่อไปนั่นแหละการปฏิบัติจึงจะดาเนิน